แนะนำบทอัลกาฟิรูนบทอัลกาฟิรูนเป็นบทมักกียะห์มี 6 องค์การณ์ที่ความเป็นเอกภาพแด่อัลเลาะห์และพ้นจากการตั้งภาคีและการหลงทางพวกเขาบูชาเจเวดได้เรียกร้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่การทำสัญญาสงบศึกและเรียกร้องท่านให้สักการะบูชาพระเจ้าของพวกเขาเป็นเวลา 1 ปี ละพวกเขาจะเคารพภักดีต่อพระเจ้าของท่านเป็นเวลา 1 ปีเช่นกันดังนั้นบทนี้จึงถูกประทานลงมาเป็นการตัดความหวังและความโลภของพวกปฏิเสธและเป็นการชี้ขาดตัดสินข้อขัดแย้งระหว่างผู้ศรัทธากับพวกบูชาจเวตและรูปปั้นอีกทั้งเป็นการตอบโต้แก่พวกปฏิเสธถึงการนึกคิดที่น่าสังเวชทั้งในปัจจุบันและอนาคต بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอกุลยา ايฮัลกาฟิรون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายลาอะอฺบุดุมาตะอฺบุดู ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีกันอยู่และพวกเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดีและฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดี และพวกเจ้าก็ไม่ใช่ผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดีสำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน